อารมณ์ความรู้สึกนกคิดก็เป็นอย่างนั้นแหละคืออารมณ์ความรู้สึกนคิดก็เป็นอันหนึง่งจิตซึ่งเป็นผู้รู้ก็เป็นอีกอันหนึง่งแต่มันไม่สามารถจะเข้ามาทำให้เรากับเพื่อมหรือทำให้เราทุกข์ได้อันนี้ก็ทำให้เราอยู่อย่างปกติอยู่อย่างสบายและการที่เราเห็นคลื่นอยู่บน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 แต่ทีนี้ถ้าเกิดมีคนที่ทำท่าว่าจะมีผมยาวกว่าเราแล้วตอนนี้ลระเริ่มทุกข์แล้วเริ่มจะนอนไม่หลับทำยังไงดีถึงจะทำให้ผมฉันยาวกว่านี้ได้จะต้องมีน้ายาอะไรมีสมุนไพรอะไรจะมาทำให้มันยาวเพื่อที่จะรักษาสถิความเป็นคนที่ผมยาวที่สุดในโลกหรืออย่างบางคนอ้วนที่สุดในโลกนะ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 เริ่มคิดแลวทำไงถึงจะเพิ่มน้ำหนักตัวให้มากขึ้นทั้งๆที่อาการเพิ่มน้ำหนักนี่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพตัว น, นี้ซ้าหนักสองสามรอยกิโลมันจะไปไหว ไ, ได้ยังไงแต่เพราะไอ้ความยึดมั่นถือมั่นอยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่แล้วมันก็เมื่อเวลาจะเสื่อมหรือจะมีคนมามาชิงตำแหน่งแทน <S <S <S <S ก็กลับเป็นทุกข์ ทำในสิ่งซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเองได้ซ้ําำลองดูเถอะอย่าว่าแต่การเป็นคนเก่งเป็นทิปดีเป็นประหลัดกระทรวงอะไรเลยหรือเป็นรัฐมนตรีแค่เป็นคนที่ผมยาวที่สุดในประเทศนี่มันก็ทุกเหมือนกันนะรพระพุทธองค์เนี่ยถึงเคยตอบคําถามของพราหมณ์ว่าพระองค์นี้ไม่เป็นอะไรเลย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 เพียงแค่สําคัญมาหมายว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่มันก็ทุกข์แล้วเพราะว่ากลัวกลัวที่จะสูญเสียหรือหลุดจากความเป็นนั่นเป็นนี่ไปเพราะมเป็นธรรมดาของโลกโดยเฉพาะหน้าภาษาอะไรกับการเป็นผู้โกรธผู้เครียด่ผู้โศกผู้เศร้าผู้ทุกข์เนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนเขึ้นไปใหญ่แล้วก็ทางการเป็นเป็นหญิงเป็นชาย ก็ทำให้ทุกได้เหมือนกันเคยมีมานี่มามาบอกพระเทรีรูปหนึ่งบอกว่าอย่าปฏิบัติธรรมเลยผนะู้หญิงอย่างท่านอย่าปฏิบัติธรรมไปได้แค่ไหนพระเทลีท่านนั้นก็ท่านก็บรรลุธรรมแล้วท่านก็บอกว่าพระพุทธวัตรผู้ใดที่ยังสําคัญว่าตัวเองเป็นบุรุษเป็นสตรีหรือ ย, อยังสําคัญว่าเรามีอยูนะ่ขอให้มานี่ไปพูด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 แล้วฝุ่นจะไปเกาะ อ, อะไรถ้ามีกระจกนะก้อนหินมาตกก็แตกแต่ถ้าไม่มีกระจกนี่ก้อนหินตกลงมาก็ไม่กระทบกับอะไรเพราะมันไม่มีอะไรจะมารองรับก็บรองรับหินนั้นคนเรานี่พอไปสําคัญมั่นหมายว่ามันมีตัวตนด้วยความยึดเนี่ยฉันเป็นนั่นเป็นนี่แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรากําลัง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 ทาให้การปฏิบัติของเราซับซ้อนนอกจากว่าเราปฏิบัติเสมือนหนึ่งเราอยู่เดีอยอยู่บนชายหาดแล้วมองดูคลื่นอย่าไปอนาทาร้อนใจว่าคลื่นมันจะเล็กหรือจะใหญ่อย่าไปคิดจัดการกับคลื่นมาหรืออย่าไปคิดว่าจะโดงไปเล่นกับคลื่นโตคลื่นวางใจไปดูแบิขาดูคลื่นซัดเข้ามาคลื่นเล็กคลื่นใหญ่มันมัน ก, มนก็มันก็ไม่มีอะไรทนั้นแหละทั้งเวลามันก็ตับไปมันจะอยู่ไม่ได้นาน